อาจจะต่อเนี่ยเมื่อกี้ขาดตอนไปน้อยนี่เป็นไรการกล่าวเนื้อความย่อยพิสดาร น, นะและการกล่าวคําที่กล่าวมาแล้วครั้งเดียวอีกชื่อว่าวิวิวรณะคือการขยายส่วนวิพัชนาหมายถึงการจําแนกขยายแล้วก็จําแนกที่จริงคําว่ากุศลคําเดียวเนี่ยนะกุศลคําเดียวเนี่ยนะกุศละเนี่ยแต่คําว่ากุศลธรรมานี่อันนี้ขยายแล้วเนาะขยายแล้วต่อมาจะจะจะ จำแนกยังไงจะจำแนกกุศลธรรมายัางไงก็จำแนกว่ากุศลากตาตมีธรรมมากุศลยศหมิงสมเยกามาวจรังกุศลังจิตตังใช่ไหมกุศลธรรมทั้งหลายเป็นฉะไหนสมัยใดกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นไหมสมัยใดแหะสมัยใดอ่ะใช่ไหมสมัยที่ปารอบอะไรปารอบรปลุเสียงก็ว่าไปเนี่ยกุศลจิตก็เกิดขึ้นสองบทเนี่ยวิวรรณวิพัชนาเนี่ยนะ การขยายและการจำแนกเนี่ยกุศลธรรมเนี่ยนะที่บอกว่านี่เล็งถึงบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางที่การจำแนกแบบเนี้ยพอตั้งขึ้นมาพอพอขยายขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็มาจำแนกเนี้ยนี่คนมีอินทรีย์กลางเขาจำแนกแบบนี้ฉะนั้นในบทมรติกาทั้งหลายเขาแสดงกันบุคคลก็บรรลุกลันบรรลุกลันเขาเรียนอภิธรรมก็บรรลุกลันหมดเย เพราะความเป็นคํานิเทศก่อนเนื้อความที่ได้เปิดเผยไว้แล้วให้พิสดารยิ่งขึ้นและกระทําเนื้อความที่ได้จําแนกไว้แล้วโดยประการทั้งหลายอันเป็นเครื่องปรมใจของเหล่าเวนัยสัตว์เออทำให้เนื้อความทั้งหลายน่ยปโลโรมใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นให้เกิดสัตินรีย์มากขึ้นเวรินซีมากขึ้นสเินทรีย์มากขึ้นสมาตินทรีย์มากขึ้นแล้วก็ปัญรีย์มากขึ้นถ้าปางพระธรรมแล้วมันอินทรีมันไม่เพิ่มเนี่ยแปลว่าพระธรรมของพระเจ้านั้นไม่สามารถ ปลาร้าปลโรมใจของสัตว์โลกนะเฮ้อีกเรปิดหรือเปล่าตรงนี้เราดูนะเราปิดใจเราหรือเปล่าถ้าเราเปิดใจเราน้อมตาพระธรรมคําสอนพุกดเจ้าผ่านผู้พูดถึงพระบรมศาสดาพระธรรมป ร, ริยสงเสียตรงเนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นการปลาร้าป ร, รมจิตใจของเรานั้นนะนะให้อะไรให้เกิดกุศลยิ่งขึ้นเนาะให้ปลาร้าปลโรมเหล่าเวนยศัสตร์ทั้งศัตว์ที่มีสังวรวินัยและประหารวินัยนั่นแหละนะอุด อย่างนั้นนะเชื่อว่าอุตานีการณะอุตานีการณะกระทำให้ตื้นเห็นไมปกติไม่เข้าใจมันลึกไงพอปร่าวปลอมจิตของเราแล้วก็พระธรรมก็กลายเป็นของตื้นในใจของคนนั้นไปและปัญญาปัะการบัญญตัติเหมือนเนื้อความที่เปิดเผยแล้วจาแนกไว้เปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยก่อนเช่ไหมขยายก่อนแล้วก็จำแนกเวลาจำแนกเนี่ยท่านจำแนกเพิ่มขึ้นนะ เช่นผัสโสโหติเองนะก็ไปเชื่อมกับคำว่านั่นแหละแม็กุศรไอกุศลังจิตตังผัสโสโหติย่อมเกิดภาษะหรือภาษาย่อมเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังทําให้ตื่นและเข้าใจโดยประการต่างๆโดยในเมียที่ว่าภาษะในสมัยนั้นเป็นนะไงแม็กขยายอีกการถูกต้องการกระทบการสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้เป็นต้นนั่นนะลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการ เปิดเผยเนื้อความจำแนกไว้เนี่ยเปิดเผยเนื้อความที่จำแนกเอาไว้เมื่อจำแนกแล้วก็มาเปิดเผยเป็นอุตตานีการณะใช่ไหมเป็นการเปิดเผยแล้วทีนี้บวดว่าอุตานีการณะและปัญญาปัะนั้นก็เล่งถึงท่านผู้มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนเนี่ยเขาจะพะยะเนี่ยท่านจะแสดงอย่างนี้ท่านจะเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยเนื้อความนั้นให้ให้ตื้น จากที่ลึกๆในความเข้าใจของสัตว์โลกของเวียนยชนนั้นน่ะพระองค์ก็เปิดเผยเนื้อความให้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปเนื้อความนั้นก็กลายเป็นของตื้นในกระแสจิตของสัตว์นั้นทันทีเนี่ยนี่คือการแสดงธรรมของพระบรมศาสดาเป็นอย่างนั้นถึงนี้ก็ทีนี้อีกในหนึ่งนะอันนี้พอเข้าใจนะนี่สัตว์ที่มีสีอ่อนก็ต้องอาศัยอย่างนี้ก็ค่อยๆเปิดเข้าไปค่อยๆเปิดขึ้นไป อ่าอีกนายหนึ่งการแสดงให้พิสดาร น, นะด้วยการทําเนื้อความที่แสดงไว้แต่ทีแรกนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกอย่างเป็นของร้อนอันนี้ให้ปรากฏชัดด้วยประการกล่าวซ้ําเนื้อความที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ครั้งแรกนม้อีกเป็นการกล่าวซ้ําอีกโดยการกระทําการย่อให้พิสดารโดยนายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมองไหมบอกทุกอย่างเป็นของร้อนบอก ของร้อนทุกอย่างมีอะไรจากขู่เป็นของร้อนเลยเนี่ยตาเป็นของร้อนลูกเป็นของร้อนจักรวิญญาณเป็นของร้อนเนี่ยจกักรวสัทธ์มรรตเป็นของร้อนอันนี้เขาเรียวกว่าวิวรณะการขยายการขยายเนื้อความที่ตั้งไว้โดอยย่อที่บอกกุศลธรรม ท, ทั้งหลายดังเนี้ยเมื่อได้ขยายกุศลธรรมโดยในเป็นอะเป็นนิเทศว่ากุศลธรรม ท, ทั้งหลายเป็นเช่ไหน สมัยใ ด, ายดายการ ม, มาวจานกุศลจิตเกิดขึ้นดังนี้นะเขาเรียกว่ากระทําการจําแนกว่าสมัยนั้นย่อมเกิดผลสัตย์สมัยนั้นย่อมเกิดเวทนาสมัยนั้นย่อมเกิดสัญญาสมัยนั้นย่อมเกิดสังขารย่อมเกิดวิญญาณเนี่ยอันนี้ชื่อว่าวิพัชนาเนี่ยเป็นการจําแนกมองเห็นอย่างนี้ที่มันก็จะจําแนกเป็นไปตามลําดับอย่างนี้บุคคลย่อมกระทําเนื้อความให้ตื้นได้โดยการกล่าวเนื้อความที่ขยายแล้วให้พิสดารเนี่ย และโดยการอุปมาเนื้อความที่ได้จำแนกวัยแล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวเนื้อความทีไ่ได้ขยายแล้วเนี่ยนะด้วยการขยายแล้วยิ่งๆไปกว่า น, นี้ภาษาเกิดในสมัยนั้นคือภาษาการถูกต้องการสัมผัสอันใดในสมัยนั้นอันนี้เป็นการกล่าวอุปมาบอกดูกนภิกษุทั้งหลายถ้าอุปมายกเลยโคที่ไม่มีหนังห่มแม้ชันใด ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลเห็นผัสสะาหานี้เหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันแหละอันนี้ก็เห็นไหมเนื้อความที่จำแนกบเบ็ดเสร็จแล้วโดยการจำแนกเนี่ชื่อว่าอุดตนกีการะนะคือการกระทําให้ตื่นเนี่ยลักษณะเนี่ยแล้วก็อุ ป, ปมาใส่ไปก็ทําให้เนื้อความมันตื่นขึ้นมาเลยจากภัสสที่สัตว์โลกทั้งหลายมองเห็นว่าอีมองยาก เขบอกว่าโอ้โหแม่โคที่ถูกถลกหนังออกนี่เงยเห็นชัดเล ย, ยเลยนีย่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนจากการกระทบจากเหลือบจากไายจากลินจากยุ่งจากยุ ง, จ า, ยงจากแดดเป็นต้นนึงประการต่อมาคือการทําสมณจิตให้เกิดขึ้นในวิธีต่างๆอย่างวิจิตนะโดยการแสดงทำแก่ผู้ฟังทำอยู่และการทํายานให้คมได้วิธีหลายอย่างยานหมายถึงปัญญา น, นี่นะให้คมได้วิธีหลายอย่างนี่นะแก่ผู้ที่มีความรู้ อันยังไม่คมอ่ะเขาเรียกบัญญัติบัญญัติเนี่ยเขายังไม่มีความรู้เขายังไม่มียานนะที่คมก้าใช่ไหมก็เหมือนว่าเขามีมีดเนี่ยก็เหินไปให้เขาเขารับมีดรับรับรับไปแล้วมันจะได้มีดนั้นจะได้คมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทําให้คมบัญญัติอย่างเงี้ยการประรัประโลมใจ ด้วยการฝนใจของผู้ฟังทั้งหลายเนะี่ยชื่อว่าบัญญัติบัญญัติญญตนั้นคำคำว่าชื่อว่าพร้อมด้วยอัฏฐะประกอบด้วยอัฏฐบทนะไปเยอะเลยทีนี้อัฏฐบทเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอัฏฐบทประกอบด้วยอัฏฐบทหกอย่างนะที่ได้กล่าวนล้วในในของความทีอ่อาจแห่งปริยัติเป็นรูปของอัฏฐมีกงังสนะการประกาศโดยย่อเป็นต้นส่วน ทั้งหลายมีการมีสังกาสนะการประกาศโดยย่อประกาศนะประกาศโดยประการต่างๆเป็นต้นอันนี้นะอัถบทเพราะเป็นอาการของอัถาก็อาจอย่างเดียวท่านย่อมประกาศย่อโดยประการขยายแล้วก็จำแนกทําให้ตื้นแล้วก็บัญยากาใช่ไหมขยายจําแนกทําให้ตื้นแล้วก็บัญญัติได้บทเล็ด้วยบัญญัติชนะทั้งหลายเป็นต้นอันนี้ท่านก็เอามาขยายเอามาจําแนกเอามาทําให้ตื้นก็บัญยากา ให้เกิดปราปรรมเหมือนฝนจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้เกิดปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ใช้หินนะว่างั้นเดนมาฝนมีดอย่างเงี้ยเออมาลวิลับมีดอย่างเงี้ในคำว่าความถึงพร้อมด้วยอัครา บ, บทพยัญชนะอาการะนิรุตติและนิเทศเนี่ยกว่ากันไปตามลำดับเลยเดีเนี้วันหน้าในบทนี้ยังไม่ทันจบนะในเวลาเปล่งเสียงเหมือนกับว่ายังสอเสืออักษรเนี่ย หรือทุอักษรโซอักษรเป็นต้นเนี่ยเช่นในประโยคนี้ที่ว่าสัทธีวัฏสหานิจิวาอัคคราเพราะไม่รู้จักสิ้นสุดไม่มีพจน์มันหาคำหาคำมาคาเหมือ น, นไม่พอมันไม่หมดมันไม่จบมันไม่สิ้นเริ่อหน้าเห็นคำอันเป็นปริยยะ นะครมันเป็นปริยายะของวันน้าย่อมจะมีอยู่ก็หาไม่ได้เหมือนอย่างบทว่าเป็นคําปริยายะด้วยอํานาจของอัฏฐาเพราะความที่มีไวัยพจน์ย่อมเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเที่ยวไปหรือสัญจรไปชั้นใดวันน่าหาเป็นเหมือนฉันนั้นไม่เพราะอะไรเพราะไม่มีไวัยพจนดบทที่มีอักขระตัวเดียวชื่อว่าอักขระเหมือนอย่างคำว่ามาอย่างนียอ่างส้อนเนี่ยนะ เอวังกิระตังเนี่ยแต่อาจารย์บางพวกบวเทศนาที่จิตของบุคคลผู้มีกรและฐานอันบริสุทธิ์ด้วยความเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์ในถาวรทั้งสาคือกายถาวรดวงจีทวาวรมโนถารให้เป็นไปแล้วเรียกว่าอาักขระให้ฟังอีอาจารย์พวกหนึ่งเพราะเป็นเทศนาที่ท่านไม่ใช่กล่าววาจาโดยไม่รู้จักหมดสิน้นคือโดยไม่มีประโยช น, น์นะวังข้อนั้นบัณฑิตพึ่งถือเอาเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกถามทางใจของพราม์ ถามไปถามพระเจ้าใช่ไถามดังใจอันมีมาในปรายนาสูตรใช่ไหมที่มานบสิหกคนไปถามพระบรมศาตาเนะนึกในใจถามลักษณะหรือเกี่ยวกับมหารกรณ์ประธานที่พุทธเจ้าประทับนั่งในเรือนแก้วแล้วพิจารณาพิจาร้ใจัยนั่นลอันนี้นี่เยอะวิพัฒก็คือเชื่อบทเนื่องวาพราะธรรมให้รู้เนื้อความได้บทพระอัตถว่าเป็นเหตุ ถึงซึ่งเนื้อความคือให้ให้รู้ความหมายได้เ네นี่ยก็มีบทมีเท่าไหร่เนี่ย<ม>เรยนบารีแล้วบทมีเท่าไหร่ให้คุณพัดบทมีเท่าไหร่ฮะบทมีสี่ไงบทนามบทอาขยาตบทอุปรักบทนิบาตใช่หเนี่ยเนี่ก็เรียกสี่ ในบรรดาบทสี่อย่างนั้นน่ะบทที่มีซัพ์เป็นประธานเนี่ยเมียที่ว่าออผัสโสผัสโสเนี่ยแปลภาษาเนาะเวทนาก็แปลว่าอะไรเวทนาจิตตังก็คือก็คือจิตอันนั้นชื่อว่านามใช่ไหมชื่อบทนามในชื่อานามซัพ์มีโรคแจมแจ้งด้วยบทนามทั้งหลายกิริยามีรูปไม่แจมแจ้งก็หาไม่ได้คําที่มีกิริยาเป็นประธานเมียที่อย่างเช่นว่าพุทธสติ ย่อมถูกต้องใช่ไหมเนีย่ยหรือเวอะไรเวทะเยอติเวทะ ย, ยติแปลว่าอะไรย่อมเสวยใช่ไหมวิชานาติย่อมอะไรรู้แจ้งใช่ไหมอันนั้นเขาจะบทอาคยาตอาคยาตทีนี้ กิริยามีรูปแจมแจ้งโดยบทอาขยาตทั้งหลายส า, ากกมีรูปไม่แจมแจ้งนะก็หาไม่ได้ตะเนี่ยนะปะศัพท์ในบทว่าจิรปะวาสิงนี่ย่อมแสดงความแตกต่างแลความพระตากไปเห็นกิริยานะอันนี้คือวัสนะการอยู่ชั้นใดก็ย่อมแสดงนิมิตแห่งความอย่างรู้ของความต่างกิริยานะเพราะแสดงความต่างกันกิริยาเหมือนกันฉชนั้นเออปะนี่เป็นบทอะไรอุปสรรคไหม อปะเนี่ยนนชื่ออุปสรรคคาเมียที่บอกว่าเอวังเนี่ยเป็นเหตุแห่งการประกาศความต่างแห่งสรุปของกริยาเนี่ยนะและของศัพว์ชื่อว่าบทิบาทเอวังนี่ล่ะนี่สัตว์ที่ส่องถึงความต่างของกริยานี่ยเอวังนี่นะและแสดงถึงความต่างของกิริย า, นะ เ, ะะ า, า, ยาเช่นในคำว่าเอวังมณสิกโรธาถูกไหมเอวังมณสิกโรธะเนี่ย จงทําไว้ในใจอย่างนี้ถ้าบอกมาเอวังมนาสากัตถะอย่าได้ทําไว้ในใจอย่างนี้ใช่ไหมเอวังสาที่สองถึงความต่างเห็นซัพบประเด็เช่นในคำว่าเอวังศีลาเอวังธรรมรดาผู้มีศีลอย่างนี้ผู้มีธรรมอย่างนี้เนะี่ยอันนี้หมายถึงศับมิตรจัดคําที่ท่านกล่าวไว้โดยยอดจัดแจงไว้ด้วยบทเชื่อพ ย, ยัญชนะเพราะอัตถว่า ทำเนื้อความให้แจมแจ้งใช่ไหมพยัญชนะเนี่ยนะภาคนั้นแหละชื่อว่าพยัญชนะให้พยัญชนะคือแปลว่าทําเนื้อความนั้นให้แจมแจ้งเพราะอธถว่ากระทําเนื้อความที่ได้กล่าวไว้โดยย่อว่าจัตตารโรอิทิปาธาอิทิบาสีได้ปรากฏโดยในเมที่ว่าถ้าตั้งว่าจัตตาโรโออิทิปาธาเนี่ยย่อไว้ใช่ไหมถ้าไปจําแนกไปขยายก็กตเมจัตตาโรโออิทาพิคเวพิกขุก ฉันทัสมาธิสมะประธานสังขารสมานนากตังอิทธิปาทางภาเวติแล้วก็เอาวิริยะเปย์เห็นไหมวิริยะจิตตะหรือวิมังสาก็ไรนถ้า ว, วิมังสาวิมังสาสมาธิเห็นไหมหรือว่าจิตตะสมาธิประธานสังขารสมันนานังอิทธิปาทางภาเวติเนี่ยนัก็ว่าไปทำนะฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาก็นีเพิ่มบเลีอ่ อันนี้แปลว่าอิธิบาทสี่เป็นชนิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในาศาสนานี้ย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบไปด้วยฌันะสมาธิประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยะอันประกอบไปด้วยจิตตะอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็พยัญชนะนั้นโดยเนื้อความเึงเห็นว่าได้แก่การประชุมแห่งบทไอตรงนี้อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าภาพประกอบด้วยอาขยาตประกอบด้วยนิบาตและประกอบด้วยการปะกาศการรบในเนื้อ ประกอบด้วยเษนะถามว่าแม้บทที่ต้องว่าพยานชนะอื่นเนื้อความปรากฏได้แม้ด้วยบทนั้นไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าแม้ในการฟังการฟังเพียงแต่บทเนี้ก็จะมีการรับเนื้อความได้โดยกระทําให้สืบต่อๆกันไปใช่ไหมแต่ะบทเนี่ยก็บทอื่นที่อยู่เกี่ยวข้องกับเนื้อความข้อความนั้นก็มีข้อความที่เป็นหลักฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นในภาคนั้นเท่านั้นจึงทําเนื้อความนั้นให้ปรากฏได้ทีนี้เวลาการจําแนกเนี่ย การจำแนกภาคโดยประการเนี่ยนะนั่นชื่อว่าอาการการทำการจำแนกอย่างไม่อย่างไม่ใช่น้อยซึ่งภาคให้เก่าที่บอกว่าตัดถากรตโมชันทาอกัดถากรตโมชันโทโยชันโทเนี่ยฉันทิกกัตตากัตตุกรมยะตาเคยได้ยินศัพท์นี้ไหมก็คือฉันท้าเป็นชนไหนฉันท้าความเป็นผู้มีความพอใจต้องการจากะกระทำอันใดนั้นชื่อว่าอาการ เรียกชันท่าที่เป็นกัตตุกรรมยาตาฉันท่าแต่ท่านไม่ได้ขยายส่วนคําว่านิรุตตินิรุตติก็คือวิเคราะห์คําที่จัดไว้โดยอาการนิรุตติคือการนําเอาคําที่ท่านกล่าวไว้โดยการโดยโดยโดยอาการเช่นคำวิด้ว่าผัสโสนี่หมายถึงผัสสะเวทนาก็คือเวทนาเนี่ยถ้ากล่าวอย่างพิศดาเนี่ยผุสติติผัสโส อันนี้คืออะไรเชื่อาภาษาพาุทะว่าถูกต้องเวทะตีติเวทนาชื่อเวทนาพาุทธว่าสวยรสเนอารมณ์นี่นะอันนี้เป็นนิรุตตินิฉลาดในภาษาฉลาดในภาษาแล้วการขยายคำวิเคราะห์โดยในว่าที่ว่านิพานังมัคคตินิพานัตติเกหิวามกียติกิเลเสวามาเรนโตคัจฉติติมโค อนี้ถ้าใครที่เรียนมร์นี่พระสิทธิจำไม่เลยเชื่อว่ามร์ว่าแต่ว่าแสวงหาเลยเออสแสวงหานิพพานเชื่อว่ามร์ว่าแต่ว่าอันบุคคลผู้มีความต้องการอะไรต้องการพระนิพพานน่ะต้องสแสวงหาไหมเราต้องสแสวงหามร์ด้วยไหมตัวมร์นั้นก็มีทำจิตในการสแสวงหาพระนิพพานใช่ไหมฉะนั้นมร์อัดหนึ่งคืออันบุคคลผู้มีความต้องการพระนิพพานทั้งหลายก็สแสวงหา แลาโอ้โต้องเราต้องแสวงหาสองอย่างนะหนึ่งแสวงหามรคสองแสวงหาแล้วมรคไปแสวงหาปฏิภาณอีกทีใช่ไหมอย่างเรานี่ยังไม่มีมรคเนี่ยยังไม่ได้ไประชุมสิกขาสามเลยวันๆก็ราคาตัวสามโมหาเกิดอยู่เนี่ย น, นะไม่ใช่มรคแล้วเป็นมิจฉามรคเกิดอยู่ตลอดเนี่ยแสวงหาปฏิภาไม่ได้แล้วเราไปขี่บินมิจฉามรคอ่ะมิจฉามรคมันก็พาเราออกจากลองจากรอยออกจากทางเลยอย่านีน้ใช่ไหม มันไม่สแสวงหานิพ v a n a แล้วแต่สแสวงหาอะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็เอาไอ้มิจฉามาร์กออกไปใช่ไหมเราต้องสแสวงหามาร์กก่อนใช่ไหมสแสวงหามาร์กก็คือทํามาร์กให้เกิดขึ้นในประชมุมขึ้นในขันก่อนเมื่อเอาศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกระแสของนามธรรมในขันได้แล้วนี่แปลว่าเราสแสวงหามาร์กได้แล้วเรียกให้ตกจากมาร์กถ้าตกจากมาร์กก็ตกจากาศาสนาพระมารการเลย นี่ยุ่งเลยพระตกจากศาสนาพระมารดาแล้วเราจะแสวงหาพรนิพ